เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แพร่หลายมากในโลกโซเชียลของวัยรุ่นจีนในช่วงปี2000ที่ผ่านมาซึ่งแม้จะมีเสียงแบ่งออกเป็นทั้งคนที่เชื่อและคนที่คิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องแต่งแต่อย่างไรก็ดีผมเห็นว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากจึงนํามาเล่าให้ฟังกันในแบบของหลอนก่อนนอนก็ขอให้รับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ล่วงหน้า เรื่องนี้เกิดขึ้นจากภาพถ่ายใบหนึ่งที่เชื่อว่าภาพนี้คือภาพของพิธีแต่งงานของคนกระสพบที่ถ่ายไว้เมื่อปีคศ1920เรื่องราวทั้งหมดต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของหญิงสาวอายุ17ปีคนหนึ่งเธออยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยและมีความมั่งคังแต่โชคร้ายที่ตัวเธอนั้นเกิดมาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนักต้องเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่เสมอ เหตุการณ์และชีวิตที่มีแต่ทรงกับสุดของเธอก็ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งในวันนั้นเธอได้พบกับชายหนุ่มอายุ19ปีเขาเป็นลูกชาวนาจนๆคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้และต้องนำที่ดินมาจำนองกับครอบครัวของเธอรักแรกพบเกิดขึ้นกับหญิงสาวที่ไม่ภาษากับโลกภายนอกมากนักเธอตกหลุมรักชายผู้นี้ทันทีตั้งแต่แรกพบ เธอไม่เคยรู้จักความรักและไม่มีโอกาสได้พบใครมากนักนอกจากคนป่วยและหมอตามโรงพยาบาลแต่เมื่อเจอกับชายหนุ่มคนนี้เข้าเธอก็ัลืมเขาไม่ลงอีกเลยเธอบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ของเธอว่าอยากแต่งงานกับชายผู้นี้เหมือนเด็กที่อยากได้ของที่ตนไม่เคยมีโดยความที่เป็นลูกสาวคนเดียวและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนักพ่อแม่จึงตามใจเธอทุกอย่าง ข้อเสนอนี้ถูกส่งไปยังครอบครัวของชายหนุ่มถึงเรื่องการแต่งงานญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายนั้นก็ตอบรับในที่สุดก็เหมือนได้ตกถังข้าวสารยังไงอย่างนั้นแต่ชายหนุ่มไม่ได้เต็มใจที่จะร่วมงานวิวาครั้งนี้เลยเพราะเขาเองก็มีคนรักอยู่แล้วแต่ในอดีตนั้นการกลุมถุงชนยังรุนแรงมากไม่ว่าจะส่วนไหนของโลกโดยเฉพาะประเทศจีนเองจิกขึ้นชื่อในเรื่องนี้มานมนาน ในที่สุดเขาก็ต้องจำยอมที่จะต้องแต่งงานกับหญิงลูกสาวมหาเศรษฐีผู้นี้ซึ่งในคืนก่อนวันแต่งงานนั้นหญิงสาวได้เกิดไข้ขึ้นสูงและมีอาการป่วยอย่างรุนแรงแต่เธอก็ยังฝืนใจทำพิธีในตอนเช้าจนเสร็จจนเมื่อถึงเวลาทำพิธีในตอนเย็นอาการป่วยของเธอก็ซุดหนักจนหญิงสาวนั้นเสียชีวิตไปทั้งชุดเจ้าสาวบรรยากาศแห่งความชื่นมืน่นจึงกลายเป็นความโศกเศร้าระคนความหน้าวังเวงในทันที ด้วยความที่เป็นครอบครัวที่ยึดมั่นในธรรมเนียมและพิธีกรรมฝ่ายเจ้าสาวจึงต้องการที่จะให้ทําพิธีต่อไปจนเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดข้อข้อรหัและมีความเชื่อว่ากุญญาณของหญิงสาวจะพอใจที่ได้แต่งงานกับชายที่ตนหลงรักชายหนุ่มต้องกลั่กลืนทำพิธีต่อไปรวมกับหญิงที่ตนเองไม่ได้รักและตอนนี้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นศพไปแล้วอีกด้วย พิธีต่างๆผ่านพ้นไปด้วยความทุรักทุเลภายใต้บรรยากาศอันน่ากลัวจนเมื่อมาถึงพิธีสําคัญที่สุดนั่นคือการส่งตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าเรือนหอฝ่ายชายจะต้องอยู่กับหญิงสาวจนถึงเช้าและนี่คือจุดหักเหสําคัญที่เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาทั้งกลัวและก็อักขระอวนที่จะต้องถูกขังให้นอนร่วมกับศพทั้งคืนในค่ำคืนนั้นเขาจึงตัดสินใจหนีออกไปจากเรือนหอก่อนที่จะมีการส่งตัวจริงๆ ชายหนุ่มไม่มีที่พึ่งใดๆคิดได้เพียงแต่ว่าต้องหนีไปที่ไหนสักแห่งจึงสมัครไปเป็นทหารเพื่อซ่อนตัวอยู่ในค่ายนั้นแต่คนจนย่อมตกเป็นเบี้ยของคนรวยเสมอหากว่าเขาต้องการเบี้ยนั้นด้วยอิทธิพลของครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวเพียงเวลาไม่นานก็ลากตัวชายหนุ่มให้กลับมาทำพิธีต่อให้จบได้ภาพนี้เชื่อว่าเป็นการถ่ายหลังจากที่เจ้าสาวเสียชีวิตไปแล้วกว่า6วันและนำมาจัดท่าทางให้เหมือนกับมีชีวิต เพื่อประกอบพิธีให้เสร็จสิ้นว่ากันว่าหลังจากส่งตัวเข้าเรือนหอได้มีคำสั่งให้ล็อกประตูจากภายนอกและจัดเวรยามเฝ้าไว้ไม่ให้ใครเข้าออกจนหลังจากฟ้าสางญาติฝ่ายเจ้าสาวก็เข้าไปในห้องเพื่อนาอาหารไปให้เจ้าบ่าวแต่เมื่อเข้าไปก็พบกับร่างที่ไร้ลมหายใจของเจ้าบ่าวนั่งพิงกำแพงอยู่หน้าตาของเขาเหมือนกับตกใจสุดขีด ดวงตาเบิกโพรงมองค้างไปที่ร่างของเจ้าสาวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพร้อมกับปรากฏรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าของเธอเรื่องนี้ถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลและยังเล่ากันว่าหากใครมองรูปเจ้าสาวนี้นานๆจะเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของเธอปรากฏขึ้นซึ่งเรื่องทั้งหมดนั้นก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้รวมไปถึงการกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับช่วงเรื่องเล่าก่อนฟ้าสางสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ